หน่อยนะครับสายทุกขมมจะโลกาธิปติสาปฏิเตกัดอันนาลีอันทิควังอายาจธาสันติทัสตาปะระชาชาติกาเทตุกามังอะนุกามเปมังปางนนโมจัสปะวะตูวะระตู สัมมาสัมพุทธสนะโมทัสสะอะขวัตุ อ, ตอรหัตสัมมาสัมพุทธสนะโมทัสสะอะขวัตุตอรหัตสัมมาสัมพุทธสนะโมัสสะปรคะวิตุอรกัตุสัมาสัมพุทธนะโัสสะปะคะต ในโอกาสวันนี้อาจจะม า, าพาดจะแสดงพระธรรมเทศนาเ <c oughs> นื่องในวันสงกรานต์คาถาเพื่อเพื่อสดสง อ, งองค์พระสัทธาบารมีที่บรรดาท่านนิสราทานะบดีทั้งหลายที่พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลวันสำคัญในวันนี้เรื่งตรงกับวันขึ้นสิบแรมสิบสี่ข้ามเดือนห้าชิ้นเดือนพอดี <c oughs> และก็เป็นวันทวีปกลางโบราณถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่่อนที่บรรดาท่านพุทธศาสนทั้ทงหลายอยากฟอานใดส์ต่างๆเพราะว่าการบําเพ็ญกุศลในวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายบาเป็นกุศลกันมากหลายในการรุนแล้วจะเป็นมหากุศลเช่นหนึ่งบูชาพระตรัสไตรเป็นมหากุศลใหญ่ในการอีสองถวายชังฆทานก็เป็นมหากุศลใหญ่ การในสามตั้งใจบทเล่มก็เป็นอาณาสงฆ์ใหญ่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันสงการวันปีใหม่สาหรับโบราณก็จะนํานความเรื่องของวันสงการานต์มากราบไว้ก่อนแต่เรื่องของสงการานต์ในบรรดาแต่พุทธบริษัทถ้าจะไม่เทศก็จะถือว่าเป็นการเว้นความดีในวันสงการานต์ไปถ้าเทศไปศในวันดาแต่พุทธบริษัทนิรันดราปลดใชว่าในตอนต้นเป็นเรื่องของพราม แต่ว่าในตอนหลังเป็นเรื่องพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของครามแต่ว่าในโยการนิยมทั้งหลายแม้แต่อางวิทยุกระจายเสียงก็ดีเท่าไหลายก็ตามเขาก็ประกาศการสงครามประกาศสงครามกันถ้าไม่เทศก็จะทำจจขาดไปนี่ขอนํามาถึงเรื่องการสงครามแก่บรรดาจนพบริษัทมีความรว่าตามบังทีเขกล่าวว่าไม่ทราบว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้ที่ไหนไม่ไปพบ แต่ปรากฏว่ามีตำนานกล่าวว่าในการทางข้างหนึ่งนานมาแล้วก่อนที่องค์สมเดรร็จพระธพิตรเจ้าปรมาสั์สันดาัมาสัมผัสเจ้าจะาไบขึ้นในโลกเวลาไม้ก็ปรายกวว่ามีคาราพรามเขาถือว่ากรามเป็นจะเปนตระกูลใหญ่เป็นตระกูลสูงสุดเป็นตระกูลรองมาจากเอวสัต จึงแม้ว่ากษัตริย์เองก็มีความเาคารพในพระามุพระา ม, มีความรู้มากสอนอัตรธรรมเกี่ยวกใบธรรกายทั้งหลายกับปรญดาพระทั้งหลายเหล่านั้นก็มีธรรมบาลที่เป็นลูกของพระามแต่ว่าเป็นคนที่มีความรู้มีความฉลาดมากเปนครูสอนอัตรธรรมในการในครั้งหนึ่งก็มีทมอง์หนึ่งมีนามว่าก บ, บินทรรมก็อยากจะมาทดลองความดีของธรรมบาล ว่าธรรมบาล น, นี่จะมีความรู้จริงหรือไม่มีความรู้จริงก <c oughs> ะเป็นละพรมยิงได้ลงมาจากคนบนโลกมาถามปัญหากับบรรดาคนทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถามว่าใครเป็นครูของพระอาจารย์ใหญ่ของพระมเขาบอกว่าธรรมบาลเป็นอาจารย์ใหญ่ผมก็เข้าไปหาธรมามาามาธรมบาลก็ถามว่าธรรมบาลเป็นอาจารย์ของพระมจริงหรือธรรมบานบอกว่าจริง จากนั้นจะถามปัญหาสามราการวันหนึ่งราศีที่วรามีอยู่สามรายการในตอนเช้าราศีอยู่ที่ไหนในตอนกลางวันราศีอยู่ที่ไหนในตอนเย็นราศีอยู่ที่ไหนและปัญหาสามราการนี้เราให้เวลาเจ็ดวันถ้าเจ็ดวันท่านตอบไม่ได้เราจะตัดคอท่าน ถ้ า, าเอิญท่านตอบได้แล้วเราก็จะจัดคอของเราเป็นการบูชาความดีของท่านเพราะนั้นว่าธรรมบาลฟังคําจากพระทานเบิกกระบื้อพรมแล้วก็รู้สึกหนักใจเพราะในตราของพระไม่มี <c oughs> คิดเท่าไรไมันก็ไม่ออกในที่สุดวันที่เจ็ดผมว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เจ็ดมัคือเป็นวันที่หกขอการคิด ก็มาดำนิว่าในเมื่อเราคิดมาแล้วห้าวันมันคิดไม่ได้วันนี่หที่เราออกจากบ้านไปสโซฟาดีกว่าไปตายเอาเบอรหน้าถ้าคิดไม่ได้เราก็จะไม่ยอมให้ผมต่างเขาตัดคอเราเราจะยอมตายในป่าก็เลยออกจากบ้านไปออกจากบ้านไปก็ตั้งใจนั่งคิดนอนคิดอยู่เรื่อยๆก็เป็นนั้นว่าคิดไม่ได้พอถึงวันที่เจ็ด ตอนเช้าเวลาเช้าก็ไปนอนอยู่โคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ใกล้กับภูเขาในที่นั้นมีนอกอินทรีผัวเมียผัวกับเมียก็าสองตัวเนะี่ยแล้วมีลูกอีกตัวหนึ่งไฟายวันนั้นนอกอินทรีฝ่ายผัวในะเมื่อมันมีลูกขึ้นมาแล้วฝ่ายเมียก็ไม่ต้องไปหาขินคอยดูลูกทั้งบับหผัวต้องไปหากินหาอาหารมาให้ลูกให้เมีย น้องอี้เมียก็ถามมันน้วงเี้ยศีหัวว่าวันนี้ทําไมจะไม่ไปหากินสายแล้วหัวก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องไปหากินวันนี้เราจะได้กินเนื้อมนุษย์ซึ่งมีน้าธรรมบาลเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านั้นวันนี้เป็นวันที่เจ็ดธรรมบาลไม่สามารถจะคิดปัญหาที่จะพรมถามได้เมียก็ถามว่าพมถามธรรมบาลว่าอย่างไง ใจรู้ปัญหานี้หรือเปล่าด้วยที่เราพวก็บอกว่ารู้อากระบียรรมถามว่าราศีตอนเช้าอยู่ที่ไหนตอนกลางวันอยู่ที่ไหนตอนเย็นอยู่ที่ไหนอันนี้ฉันรู้แต่ธรรมบานไม่รู้ในเมื่อธรรมบาลไม่รู้วันนี้ธรรมบานก็ต้องต้องตายตุ๊ตตตตตตตัดคอตายเมื่อตายแล้วทีจะนําเอาเนื้อมนุษย์คือธรรมบาลนั้นมาเลี้ยงลูกเลี้ยมีให้มีความสุข ฝ่ายเมียก็อยากจะรู้ว่าปัญหามันเป็นยังไงไปถามสามีว่าราสีสามไดการในอยากจะทราบว่าตอนเช้าราสีอยู่ที่ไหนหัวก็บอกว่าตอนเช้าราสีมาอยู่ที่หน้าคนนี้เกิดที่วันตื่นขึ้นมาชา้าได้ต้องล้างหน้าตอนระางวันราสียู่ที่อกเพราะอากาศเป็นร้อนคนต้องน้ําลูกอกตอนกลางคืนราสีอยู่ที่เท้าก่อนจะเข้านอนต้องล้างเท้าก่อน ธรรมาบานเมื่อฟังอย่างนั้นแล้วก็มีความเข้าใจว่าน้องอินทรียทั้งสองตัวนี่รู้แต่ความจริงได้พธบริษัทถ้าฟังอย่างนี้ต้องคิดไปด้วยนะที่ข้ามาคิดจหมายความว่าทําไมนอกอินทรีย์จึงรู้และนอกอินทรีย์ิ่งได้พูดภาษาคนและวันก่อนก่อ น, อน ท, ทําไมจะไม่พูดทําไมต้องมาพูดกับวันนี้ก็ขอตอบให้ทราบในที่นี้ว่าน้องอินทรีนั่นคือเทวดา เป็นดิวดาปลอมมาเป็นนกอินทรีแปลงมาเพื่อสงสารธรรมาบาลมาเป็นคนทรงธรรมเป็นคนสองทางเป็นคนสอนทานสอนวิ น, น, นัย ม, ม, มีความประพฤตีขอให้คนเป็นคนดีไม่ควรจะตายเมื่อธรรมาบาลได้ฟังธรรมของนกอินทรีตอบ ก, กันแบบนั้นแล้วก็จําได้จําไม่ไมยากก็กลับมาพอดีในตอนบ่ายท่านกระเบนพรมก็มาก็ถามว่าคิดได้หรื อ, อยังท่านธรรมบาลก็บอกว่าคิดได้แล้ว ถ้าท่านพงศ์ก็ถางว่าราศีตอนเช้าอยู่ที่ไหนทําบัญก็บอกว่าราศีตอนเช้าราษีอยู่ที่หน้าแล้วคนตป่นมาต้องล้างหน้าถ้าไม่ล้างหน้าหน้าตาเกิดดังเขาก็ไม่สวยไม่น่าดูไม่น่ารักตอนกลางวันราศีอยู่ที่อกเพราะคนมีความร้อนตอนน้ำบกอกตอนเย็นราศีอยู่ที่เท้าก่อนจะเข้านอนต้องล้างเท้าก่อนพงก็ยอมรับก็ไปทาตามที่ถูกต้อง ยังได้ส่งบัคขันให้กับสมบาลมางตัดทิะเราเสียในเมื่อสัญญาก็ต้องเป็นสัญญาทํานบอกว่าตัดไม่ได้ทั้งนี้เพราะาอะไรเพราะว่าความรู้ที่ได้มานี้ไม่จะเกิดจากปัญญาของตนเองเป็นปัญญาได้ไม่เป็นความรู้ที่ได้มาจากนอเองสีท่านพรมก็บอกว่าเราไม่ได้สัญญาว่าท่านจะรู้มาจากไหนก็ตามแต่ในเมื่อท่านตอบได้ตรงตัดทิศเรา ทำรรบ้านก็ไม่ยอมตัดในเมื่อทํบวานไม่ยอมตัดท่านาาาท้ามหาท้ก บ, บินภพก็สั่งให้ลูกสาวเอาพานมาคอยรองรับว่าถ้าหัวของเราตกไปถึงพื้นดินไฟจะไหม้ทั้งโลกหัวของเราถ้าลอยอกากาศไฟจะไหม้ทั้งในอากาศทั้งหมดคนทั้งหมดและสัตว์ทั้งหมดจะต้องตายให้พันมารองรับหัวไว ในที่สุดเอากระแข็งตัดหัวทั้งตัวลูกสาวก็ผ่านรองรับในธรรดานั้นพุทธบริษัทแ้่เรื่องนี้ทั้งหมดบรรดาทั้งบริษัทุกคนเมืองทราบว่ า, าเป็นเรื่องของพรามณ์เขาตามธรรมดาเทวดาก็ดีพรหมก็ดีนางฟ้าก็ดีฆ่ากันไม่ได้จะตัดหัวยังไงมันก็ตัดไม่ขาดเพราะเขาไม่มีความโกรธเทวดานางฟ้าพรหมนี่มีความโกรธไม่ได้ แต่ว่าเป็นวิธีของพราหมณ์ในเมื่อการเป็นพิธีของพราหมณ์ก็ตามแต่ว่าประเทศไทยเรายังไม่ยมเทศกันตามนี้มีความเข้าใจตามนี้ก็ต้องเทศดอนี้ตอนนี้ไปก็มาพูดกันเร็ว่าถึงว่าราศีของเราในด้านพระพุทธศาสนาคนเรามีราศีที่ไหนในตอนเช้าราศีอยู่ที่ไหน ในตอนกลางวันราศีอยู่ไหนในตอนเย็นราศีอยู่ไหนตอนค่ำราศีอยู่ไหนเอาเฉพาะอย่างยิ่งเวลาตื่นทั้งหมดตลอดเวลาตื่นราศีอยู่ที่ไหนเวลาหลับราศีอยู่ที่ไหนใครตอบได้ไหมตอบไม่ได้เห็นตอบเองไงก็เป็นว่าทางวุทยศาสตร์นั้เราถือว่าราศีจริงๆอยู่ที่ใจตอนเช้าราศีก็อยู่ที่ใจ ตอนสายราสีก็อยู่ที่ใจตอนบ่ายราสีอยู่ใจตอนเย็นอยู่ใจตอนนอยอยู่ใจตอนหลับราศีก็อยู่ที่ใจทั้งนี้ข้ออะไรเพราะว่าพระเจ้าบอะว่ า, ามโนกุมภังกมาธมามโนสศรษา ม, มโนโมายาทำทัท้งหลายมีใจไปหัวหน้ามีใจไปเสด็จสุดสำเนาตัวใจคนเราจะพูดดีจะพูดชั่วจะทําดีจะทําชั่วอยู่ที่ใจอย่างเดียว ถ้าใจคิดดีปากก็พูดดีใครก็ทําดีถ้าใจคิดชั่วกครก็ทำชั่วปา ก, กปากปากก็พูดชั่วอันนี้คำว่าราสีอยู่ในใจหมายความว่าใจพวกเราถ้าเราคิดชั่วราสีมันก็สศมองถ้าเกิดดูถ้าเราเศราหมองเราชั่วเรามีความโกรธหรือว่ามีความทุกข์หน้าตาจะเศร้าซีดือจะเศร้าหมองหน้าตาไม่สดชื่น ในขณะใ ด, ดที่เรามีความสุขก็มีความหวังขณะนั้นหน้าตา ก, ก็สดที่นข้อนี้ชั้นใดก็ได้แก่บรรดาธิาดาบริษัทหลายที่มาต่ำบุญกันในวันนี้เป็นวันฮุกกางหรื่เป็นวันปีใหม่นะวันปีใหม่ระเบิดโรงก็ได้ราศีต่อเทนี้ไปบรรดาธิาดาบริษัทหลายแย่ไปพูดมีราศีดีมีตรงไหนดีตรงหนึ่งยอมรับพระผีพระพุทธเจ้า สองยอมรับนับถือพระธรรมคำสังสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์ในพุทธศาสนาท่านเป็นสาวกพระพุทธเจ้าการยอมรับนับถือพระไตรสนาคมทั้งสามราการพระพุทธประธรรมสมที่เรียกว่าไตรศนาคมยอมรับนับถือความดีทั้งสามรายการอย่านี้บรรดาในพุทธศาสน์จะมีกําลังใจไม่ตกต่ำ จะมีอารมณ์เป็นสุขดับก็เป็นสุขปึนก็เป็นสุขมีชีวิตอยู่ก็เป็นสุขตายไปแล้วก็เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาล น, นี้ไม่เจี่ต่อพวกนี้พวกพวกนีน้เป็นวันเป็นวันสงกรานยมิกันอ น, นุสดเดตก็สําหรับวันนี้บรรดาแต่พระทวยสัตว์นั่งหลายทุกคนที่มาที่นี่ต่างคนต่าง ม, มาไกลไกลไกลรัชการจังหวัดบ้านในกรุงเทพบ้าง คนใบจำที่นีวัดมันมีมากก็ไม่มีกี่คนวัดอย่งทําบุญก็ไม่กี่คนย่านท่านทุกคนที่ตั้งใจมาใจก็ตั้งใจม่ได้กาลังรับบุญสนทุกคนก็มีความเคารพแต่องค์สมเด็จพระทธสุวลคือพระพุทธเจ้าในระดับแรกถ้าท่านไม่เคารพแต่พระเจ้าก็ท่านก็ไม่มากันในราการที่สองการที่จะเคารพพระพุทธเจ้าได้พระความเข้าใจในธรรมะคือคําสอนพระพุทธเจ้า ในการนิสามมีความมั่นใจในพระสงค์เรียกว่าไตรสนาคมสามประการแท่งครบในเมื่อมีไตรสนาคมสามประการนี้ครบทุกคนตายจากความเป็นคนจะลงนรกไม่ได้อัน้นี้พราะอไรเพราะแค่นึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวโดยไม่มีศรัทธาเขายัางไม่ลงนรกเกิดีเป็นเทวดาได้และคนบางท่านที่เกิดมาแล้วเป็นคน แต่ทําความชั่วทุกอย่างขึ้นรี่กว่าความดีไม่เคยปรากฏความชั่วความชั่วทําทุกประการเขาเมื น, นึกหลอดจะตายนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นเทวดาได้ถ้าบรรดาญาโยมบริสุทธิ์หลายวันนี้ทําบุญกันหลายปรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้อเจาะไว้ทิดหนึ่งการบทเนนบทเนนตั้งแปดสิบสององค์ในบทพวกนี้นะ นักบวชีพรามีหกสิบดวงวิเศษเป็นนักเรียนทีวันนี้เพอนักเรียนทั้งหมดก่อนจะเข้าเรียนนี้ได้ต้องได้ฌานสมาบัติก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องได้ฌานวิเคืออวปิญญาสมาบัตินั่นต้องฝึกในทิพยญญานแล้ไปท่องเที่ยวในสรวรรค์ได้ไปมาโลกได้ไปนิพพานได้ไปนรกได้ไปไหนก็ได้ไปได้เกวปัญญา อย่างนี้เขาพระ เ, เจ้าทรงเรียกว่ากัญญาณิชนในวันพรุ่นี้กัญญาณิชนผู้ที่ผู้ทรงผู้ทรงฌานจะบทเนรในการทําบุญในบรรดาแต่พุะเบริษัท์มีบุญไม่เท่ากันที่พระ เ, เจ้าตรว่าการทําบุญกับสตัตริฌานร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากระทําบุญกับคนหนึ่งครั้คนนี้ไม่มีศินหนึ่งครั้ง ทำบุญกับคนที่ไม่มีศีลร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับทาํทาบุญกับคนที่มีศีลได้ศีลขาดแล้วหนึ่งครั้งทำบุญกับคนที่มีศีลแต่ศีลขาดแล้วร้อยครั้งก็มีอันสงสู้ทําบุญกับคนที่มีศีลบริสุทธิ์หนึ่งครั้งไม่ได้ทำคนที่มีศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับท่านท่านสาวรุชนคนที่มีศีลแต่คนที่เริ่มปฏิบัติกรรมฐ า, านหนึ่งครั้งไม่ได้ ให้คนตามบนกระทั้นที่เริ่มสาธารณชนคนดีที่มีศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งก็ยังมีอิสงศ์ไม่เท่ากับท่านที่ปฏิบัติตนเพื่อประโสดาบันย้อนบรรดาคนที่จะบดในวันนี้วันพรุ่งนี้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติตนเพื่อประโสดาบันนั่นคือเขาได้อปัญญาสมาบัติเขาได้ฌานสมาบัติอันอิสงศ์ ม, มาก นึกการบวชเนนองค์หนึ่งมีดีสง์เท่าไหร่ขอตอบให้ทาว่าสําหรับตัวเนนเองที่บวชบวชครั้งหนึ่งบวชด้วยความตั้งใจจริงและตั้งใจปฏิบัติจริงปฏิบัติจนนั้นระเบียบและทำดีในจริงไม่ใช่เนนวิ่งเล่นอยากจะว่ายน ต, ตามวัดต่างๆบางมีเดนโดดน้ําเบนบ้างวิ่งเล่นบา้นบางขงโมยขอ ง, องกินบ้างอันนี้ใช้ไม่ได้ลงมาโก ถ้าบวชแบบนั้นลงนรกถ้าปฏิบัติจริงไวลวั้นี่มีพระกปกคุมก็ อ, อยู่ในขอบเขตเของพรทำมรมวินัยเฉพาะตัวเองเลนจริงๆเมื่อบวชแล้วครั้งหนึ่งจะมีอั น, นส์เกิดเป็นเทวดาแลือ น, นางฟ้าหรือกรมได้หกสามสิบกัเขาอยู่ได้สามสิบกัเป็นเทวดาก็ได้เป็นางฟ้าก็ได้เป็นกรมก็ได้สาหรับพ่อกับแม่ พ่อกับแม่จะมาบวชลูกหรือไม่มาบวชลูกก็ตามการบวชเรนบวชพระนี่มีอะไรสงบริเศษสรดาเป็ น, นพระตัวิษัทั้งหลายหรือว่าการทำบุญอย่างอื่นถ้าพ่อกับแม่ของเราถ้าตายไปแลกกว้วก็ดีถ้อยังไม่ตายก็ดีถ้าพ่อกับแม่ไม่โมทนาเนี่พ่อกับแม่ไม่มีโอกาสจะได้บุญแต่การบวชเรนบวชพระนี่ฉันบอกว่าพ่อกับแม่จะโมทนานหรือไม่โมทนานก็ตาม รู้หรือไม่รู้ก็ตามได้บุญทันทีในมงคลอธิบนีเกล่าบอกว่าสมมติว่าพ่อกับแม่ทอดลูกออกมาแล้วทอดันแล้วจากนั้นก็ทิ้งเลยไม่รู้ว่าลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทิ้งไปเลยมันจะอยู่หรือม่นจะตายก็ไม่ทราบต่างคนต่างไม่เลี้ยงกันตอนนี้บังเอิญลูกเกิดขึ้นมาแล้วอายุครบบทจะบทในก็ตามบทแรกก็ตาม มันอลูกบวชทันทีพ่อกับแม่ได้อานิสงส์ทันทีในแปลอานิสงส์พิเศษทะนันการบวชเนรบรรดาเทพุทธิดาสัต์คนบวชใต้อานิสงส์สามสิบกับคนเดียวนะแล้วก็ถ้าพ่อกับแม่ได้อานิสงส์คนสิบห้ากับที่จะอยู่บนสวรรค์ก็ได้อยู่พรบนโลกก็ได้สิบห้ากัปนี้บรรดาญาติโยมพุทธวิษัชที่ทําบุญบวชเนร บวชมากทำบุญมากก็ได้ทาบุญน้อยก็ได้บาทึงก็ได้สองบาทก็ได้ห้าสิบตันก็ได้ร้อยบาทพันบาทก็ได้ได้อริสงคนละสี่กับตัวหนึ่งองค์ในหนึ่งองค์ญาติโยมพระเดิษัททําำบุญแล้วจะเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าได้เป็นคมได้คนละสี่กับองค์ละสี่กับแปดสิบสององค์ดอกเตอร์ลองคูณนึ่นเท่าไหร่วะ เราหลับไปแล้วมั้งเอา4คูณ82ได้เท่าไรน่าลักไอ้โอยฮะสามรอยยี่ิแปดกับครับสามร้อยยี่สิบแปดกลับกลับดีกับพ่อกับแม่ต้องข้าวข้าวโลกเลยได้กำไบกว่านะก็เป็นว่าการทําบุญวันนี้เขาก็ได้ย่าโยมกับบริษัทมีบุญพิเศษในนี้พิเศษนั่นก็นคือว่าบทเรียน มีอริสง์จะเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าได้เป็นพรมได้ทั้งสามรอยีอ่ิบแปดกลับนี่ไม่ใช่น้อยเลยก็เป็นนว่ามีสระอรนนิสงเฉพาะเจาะให้ทราบว่าการบวชพระวันบวชนี น, นีเมนิสงมากขณะบวชพระหนึ่งอรสงมากกว่าเีนีกเท่าตัวคือคนที่บวชพระเองมีสง์เป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าได้เป็นพรมได้หกสิบกลับ พ่อแม่อยู่ที่ไหนก็ตามโมทนาแล้ไม่โมทนารู้แล้วไม่รู้ก็ตามได้คนละสามสึบกลับเหมือนกันหมืนก็บบทเรีนเป็นนว่าบันดาลญาติของบริษัทที่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่แต่ว่าเราบวชแปดสิบสององค์ได้สองสามร้อยกว่าดีกว่าไปพ่อแม่ไม่ต้องอยู่ท้องนี้สามารถนี้เห็นไหมว่าแปอว่าได้กําไร ทนั่รรดาญาโยมพุทธบริษัทหลายวันนี้เป็นวันปีใหม่ของไทยเดิมก็ถือว่าทุกคนให้ตั้งอยู่ในฐานะความเป็นผู้มีโชคและก็จงเป็นผู้มีโชคในความดีตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะตายให้จําไว้ว่าวันสงกรานต์วันนี้เป็นวันแดนสี่สี่สี่สี่สีสี่ขามเดือนห้า เป็นวันสงการานที่มาทําบุญที่วัดท่าสงคืนหนึ่งเราได้บูชาพระัตนะไตรคือพระพุทธเจ้าทำบูชาบูชาใจยอมรับนับถือใจจุดธูปจุดเทียนบูชาหรือไม่จุดธูปจุดเทียนบูชาก็ไม่สําคัญถ้าใจเรายอมรับนับถือเป็นใช้ได้ถ้าเราจุดธูปจุดเทียนบูชาแต่ใจไม่ยอมรับนับถืออันนี้ก็ไม่คิดเป็การบูชาไม่มีอะไรสง์ ในการที่ท่านหลายยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจะขอยกตัวอย่างในเรื่องหนึ่งวันนี้มันไม่จบแน่แท้นะ้าคือแท่จบทุกคนในไปลมตายหมดถ้าเทศพก็าตายเรื่องมันยาวมากนะเอาไปตอนตนไ่ต่อพวงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ยอมรับนับถือะนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่ใช่นับถือนั่นคือทั้งสม ป, ปติทิตะเทศบระบุต เอาคนคนชั้นเลวที่สุดเอามาคุยกันให้ฟังว่าสุปฏิทตาเทพบุตรคนนี้เวลาที่เป็นมนุษย์อยู่สร้างความชั่วทุกระเพศขึ่นชื่อว่าสินห้ากับหินแปดนี่ครบถ้วนไม่เค่มีครบขาดครบนล่นเนอกจากนั้นจะมีใจชั่วคาว่าใจชั่วนั่นหมายความว่าเวลาก็ทำบุญ เห็นแล้วทำไปไม่เห็นเว ล, ลาได้ยินแล้วแกล้งทำไปไม่ได้ยินแก้งส่งเสียงสอบบุญกุศลเพราะกำลังก็ความชั่วแบบนี้ตัวตนเองเป็นคนทำบาปนาทีบาปเป็นพื้นฐานจนทั้งมีฐานะรำ่ำรวยเวลาก็อย่าตายทุกเวทนามันหนักการนั่งมองดูลูกมองดูเมียมองดูท่าข่าท่าหญิงชายมีฆ่าต า, ายหญิงชายดย้วยดูทรัพย์สิน นอนดูลูกไปยช้นเราคิดว่าคนทุกคนนี่เขามีความสงสารในเราก็าอยากจะช่วยบรรเทาทุกขเวทนาในเราแต่ว่าทุกขเวทนาตัวนี้มันมีเฉพาะบุคคลเฉพาะเราเขาไม่สามารถจะแบ่งไปได้เขาสงสัยขนาดไหนก็ตามเขาไม่สามารถจะแบ่งไปได้ความจริงเวลานั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรเทวีพระพุทธเจ้าอยู่ในเขตนั้น เคยผ่านหน้าไหว้เขาไม่จะมือยกมือไหว้ก็ไม่เคยไหวจิตใจเคารพก็ไม่เคยมีบ่ายก็ไม่เคยใส่เทศก็ไม่เคยฟังในที่สุดจนปัญญาขึ้นมาก็นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรู้สึกว่าเขาลือกือว่าพาระสมณะโคดมใจดีมีเมตตาไม่ว่าใครดะนั้นเวลานี้เวลานี้เราป่วยหนักใหญ่มีความทุกขเวทนามาก ขอใองค์สมเด็จพระพูทธมีพระพ่ายเจ้าคือพระสรณะโคดมมารักษาตัวให้หายเขาก็คิดอย่อย่างนั้นเพราะมันไม่มีที่พึ่งคิดแค่มาให้นึกถึงตัวมารักษาตัว ห, หายจะตายในเวลานั้นอาศัยที่ตายในขณะที่นึกถึงพระพุทธเจ้าโดยไม่มีความเคารพจริงแต่นึกถึงอยากให้มาช่วยรักษาต้อง ห, หายหาย บุญของเขาก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่นี่เฉพาะพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะโยมนะทั้งพระเจ้าประทานประสงค์ด้วยนะ <c oughs> และทายก็หลายอย่างสิงก็มี <c oughs> เขาก็ไปเกิดบป็นเจ้าเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกมีวิมานทองคาไปที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งฟันเป็นบริวารในเมื่อเป็นคนก็เป็นคนที่มัวเมาในเรื่องความเรียยมัวเมาในเรื่องความเป็นอยู่เป็นสุข มีความประมาทเป็นเทวดาก็มีเป็นเทวดาประมาทเมาในเมาในความเป็นทิพย์แต่นั้นบุญอำนาจมีกําลังสูงจริงแหลแต่ว่ามีอายุมีปริมาณน้อยในเราดึงดังเขามีอายุกันพันปีทิพย์แต่ว่าสุปฏิจตตาเทวดามีอายุไม่ถึงมีอายุนานไม่เท่าไม่เท่าไม่ใหญ่พันปีทิพย์ในขณะนั้นเวลาไม่นานนักองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเทศน์หลวงพุทธมารดา ปรากฏมีเทวดาท่านหนึ่งมีนามอาจารย์ปจารีเทพบุตรเมื่อฟังเทศจเจ้าพระเจ้าใช้เวลาเล็กน้อยแล้วก็หอบไปประกาศให้เทวดาตาระหลักทราบเมื่อเวลานี้พระพุทธเจ้ามาทรงโปรดที่วัตถุมงคลศีละอันพระราาพบรรดาท่านหลายยมผ่านกำลไงฟังเทศต่อบุญบารมีเมื่อหอบไปถึงวิมานของสุทติวิติฏฐเทพบุตรเห็นว่าวิมานนี้เศร้าหมอง ตามธรรมดาเทวดาทั้งเครื่องทิพซ่อมหมอ ก, ก็ดีเงื่อไหลจะรักแร้ก็ดีที่แสดงว่าต้องตายภายในเจ็ดวันก็จึงถามว่าใครเป็นเจ้าของวิมานนี้ก็คุณพอจะตายภายในเจ็ดวันแล้วทําไมไม่ไปตอบุญบา ร, รมีที่องค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเทศน์ที่บุญเดชมนตราอาัตสุเปติตาที่บุตรเพลินในทิพยสมบัติมากเกินไปเรียนดูดว เมื่อเห็นอากากระจารีที่บทตัดจะกราอย่างนั้นก็มองดูตัวเห็เครื่องทิพซ่ามองมองดูลักแร้ให้มีเงื่อนไหลก็ตกใจคิดว่าเราต้องตายแน่ด้วยสายจิตที่เป็นทิพก็อยากจะทราบว่าถ้าตายจะวาไปเทวดาและจะไปไหนก็ทราบว่าจากบาปที่ตนทรรมอันดับแรกตายได้ตลงอเวจีมานรก และก็ตอนรบทุกขุมสี่ร้อยขุมเศษต้องผ่านหมดถ้ามาเป็นเศษอีสิบสองยังพวกกระเบนตัวกายมาเป็นสัตวิชานเป็นสัตวิชาเนชาเท่าจํานวนที่ตนฆ่าฆ่าสัตว์ประเภทไหนมาเท่าไรเกิดเท่านั้นเองเขาฆ่าและก็มาเป็นสัตวิเศษ ค, คือมันเป็นแรงห้าร้อยชาติกาห้าร้อยชาติเป็นสุนัขบ้าห้าร้อยชาติ หลังจากนั้นโทษปานาริบาตเกิดมาเป็นคนคนง่อยห้าร้อยชาติพ่อที่กินเหล้าเกิดมาเป็นคนบ้าอีห้าร้อยชาติพ่อที่เขาทำบญเห็นนัก แ, แกงทําไปเห็นเป็นคนตาบอดห้าร้อยชาติข้อที่เขาฟังทำวัน ท, ทำเสียงโกรธทำเป็นเหตุเป็นได้ใดเป็นคนโขนโลกห้าร้อยชาติที่เป็นคนดีเมื่อทราบความตามนี้ก็ตกใจเงยก็ไม่ไหลเฉพาะรักแรไหลหมดทั้งตัว เป็นว่าก็ถามน า, ก า, างกาสจารีพระกาศจารีช่วยฉันด้วยฉันแย่แล้วแต่กาศจารีก็บอกว่าเพื่อนเธอก็เป็นเทวดาฉันก็แค่เทวดาช่วยจะไม่ได้คนที่จะช่วยเราได้อีกมีคนเดียวคือพระอินในเมื่อลูกทั้งสองคนก็พากันไปหาพระอินไปเอิท่า น, นก็บอกว่าฉันก็ช่วยเธอไม่ได้ฉันเป็นเทวดาเป็นนายเธอแค่เทวดาเหมือนกัน ก็มีทีกันหนึ่งที่ช่วยได้คือพระเจ้าแต่พระเจ้าช่วยไม่ได้ก็หมดทางพระอิง ก, ก็พาไปหาพระเจ้าพระเจ้าพิจารณาดูก็ก็คิดว่าถ้าเราเทศอภิธรรมจะเป็นที่ถูกใจคือจะช่วยเทวดาอุณิได้ไหมก็ารงทราบว่าถ้าเทศอภิธรรมเธอไม่รู้เรื่องแน่ไม่มีผลองค์สมเด็จพระสัตรุดคิดว่าจะเทศเรื่องอะไรที่จะเหมาะก็เข้าใจว่าถ้าเทศอุณิจะไม่ใช่จะซูด ถ้าเทศสูตรนี้จบเจ้าที่ชอบใจของเธอเมื่อจบแล้วเธอจะได้เป็นประโสดาบันตัดอบายภูมิทั้งหมดในธรรมดาสมุทรบริษัททีนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุขวจงเทศอุณยอุณิชัยยสูตรเพราะเทศจบสุปติจิตาเทศบุตรก็เป็นระโสุดาบันทันทีแม่ว่าบาปทั้งหมดที่กรรมมาแล้วทั้งหมดนี้ไม่มีโอกาสให้ผลต่อไป ว่าท่านที่เป็นมร ส, สดาวันจะเป็นคนก็ดีเป็นเทว ด, ดาก็ดีเป็นนางภาคก็ดีมีหน้าที่อย่างเดียวโดยนขึ้นไปาอานิอนพพานธรรมดาทั้งบริษัททุกท่านเวลาสัญญาณบอกเวลามันบอกหมดก็ดีก็เป็นว่าวันนี้บรรดาทั้งบริษัทหลายทำบนหลายประการด้วยกันจะพัฒ น, นาเข้าไปไม่ได้แต่ว่าเวลามันหมดเอาไว้พรุ่นี้ต่อสมัยคนละกันนะท้ายที่สุดเนี่จะมาภาพขอตั้งสัญญาอุทิศน้างคุณประสีรัตน์นตรัย มีพระพุรนะธรัตนะธรรมรัตนะไละสังกรตนะัตนะเต็งสามรายการจงโดนบรรดานนะ้นบรรดาดต่าพุทธวิัชนทุกท่านมีแตความสุขสวัสิ์ัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลได้โจนเจริญด้วยจากตัวระพิทักษ์ชัยทั้งสีแแ่ระการมีอายุวัรณะสุขาพรัตรภิษานหาปตัตนะเสี่ยงใดไวได้ฉะนั้นสงฆ์ความปัญหาจะตรการอาตมาภาพรัฐามีศจนามาในธรรมกฐานเขายุติเขาทำปฏิสศนาลงวงไวแต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีตระการาชนี